ในสำนักปฏิบัติจงอหญกเขาจะถามกันแ น, นี้เป็นอารมณ์เป็นยังไงเศร้าห ม, มองหรือผ่องใสแสสายหรือนิ่งสงบเขาจะถามามันแสสายเพราะอะไรล่ะเพราะขาดสติใช่ไหมทำไมประมาทล่ะเาขาจะบอกกันทันทีความคิดมันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรทำไมคุณเสียเวลาไปกับความคิดทำไมไม่เอาความรู้สึกตัวะจะบอกกันนินงแต่เรื่องนี้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 ไทยแปลว่าผู้เป็นใหญ่ในตัวเองแต่ส่ว น, นใหญ่เราเป็นธาตุคนไทยเรเป็นธาตุธาตุของความคิดธาตุของอารมณ์ธาตุของกิเลสเพราะฉะนั้นท่านจะเน้นเรื่องนี้บ่อยนั้นเองเราจะทําอย่างไรที่จะพยายามความจริงเราชื่อเดิมเราชื่อว่าประเทศสยามใช่ไหมสยามสยามแปลว่าอะไรสยังแปลว่าตัวเองอ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 อคันตัวกะกกิเลสเข้าไปทำให้จิตเติมเมของเรานี่เศร้าหมองอแต่พอเรามีมีปัญญามีการพัฒนาปัญญาขึ้นมาพอความรู้สึกตัวทั่วพรอมเกิดขึ้นก็ปัญญาเขาเ้าไปรักษาจิตให้ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนีดำรงอยู่อย่างเข้มแข็งเราก็เลยพึ่งพาแสงสว่างนั้นได้เหมือนเราจุดเทียนผ่านไปใน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 ไม่หลงลืมเพราะนั้นเราก็ฝึกแต่เรื่องนี้ไว้ก่อนหมายความว่าเลือกฝึกเรื่องการทำอาหารกินหาเลี้ยงชีพก็ทําไปแต่ว่าอย่าลืมหลักตัวนี้หลักตัวนี้ต้องทําเป็นหลักแต่บางคนก็กลัวนะเวลาฝึกเรื่องนี้มากๆกลัวจะไม่สนุกกลัวจะไม่ไปไม่ทันเขานะไปทามาหารกินอะไรไม่สนุกสนานอ้าวเป็นอย่างนั้นไป น, นั่นเข้าใจผิดเหมือนกับเราเดินทางเข้าป่าในเวลาค่ํา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 เขาก็จะชวนพูดเรื่องความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาพยาบาดความไปอย่างนั้นแหละ น, นั้นมืดแ ล, แล้วเนีเราก็คอยมืดกับเขาด้วย แ, แต่พอเรามีสติแล้วก็ฟังเฉยชใช่ไหมฟังฟังไปว่า อ, อันนี้ชวนให้เกิดความโลภแล้วโออันนี้ชวนให้เกิดความโกรธแล้วอันนี้เชวนให้เกิดความหลงแล้วเราต้องระมัดระวังตัวเองไม่หลงเข้าไปในนั้นปล่อยให้เขามืดไปคนเดียวเราอย่ามืดกับเขาเนี่ยเมราะว่าเรามีไฟฉายอยู่ในมือแล้วก็ส่งใจเราดู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 เห็นไหมในความสงบสงัดพระพุทธเจ้าเนี่ัตถิสันติปรางสุขังเยอะความสงบเป็นยอดของความสุขนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มาค่อยพัฒนาไปพัฒนาไปพัฒนาไปมันก็จะรู้ไปเรื่อยนี้แต่ละวันเนี่ยมีแต่เฝ้าค้นหาค้นหาตัวเองลึกๆเราตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรจะค้นหาดูนะ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 อลิแล้วนัแปลว่าค่ายศึกใช่ไหมอลิลาศัตรูอลิเติมยากเข้าไปแล้วแปลว่าคู่ไปไกลจากค่ายศึกค่ายศึกของเราคืออะไรกิเลสตัวไหนว่างความโลภแต่แล้วเรารู้ว่าโลภปุหลงเป็นค่ายศึกแต่ทำไมเราไปวิ่งหาใส่ค่ายศึกเนี่ยมันมาเองหรือเราวิ่งหามัน เออดูให้ดีนะดูให้ดีนะเราบอกว่าเฮ้เราเราสําคัญสัตวจูเข้ามาเป็นมิตรใ้่ไหมอ่าเราก็วิ่งหาไม่มีแล้วก็วิ่งหาอ่าความความโกรธเนี่ยไม่มีใครวิ่งหาแหละแต่สิ่งที่มนค่อนข้างกับความโกรธคืออะไรความรักเราวิ่งหาความรักใช่ไหมเพระวิ่งหาความรักแล้วความอะไรก็ตามมาความโกรธมันก็ตามมาอ่ามันมั น, มน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 ใช่ไหมัภายในเนี่ยแต่ซับภายนอกยิ่งแบ่งไปไงยิ่ ง, ง, งหมดท <laughs> ับภายในยิ่ ง, งแบ่งก็ยิ่งขยายยิ่งยิ่งงอกงามไปเรื่อยๆ่เห็นหเพราะฉะนั้นเราผู้ที่เจ้าท่านบอกว่าให้หารั์ภายในเสมือนกับเราเอาหม้อดินไปแลกเอาหม้อทองคำ